พระแต่ละองค์ที่จะเป็นคณาจารย์มีคนนิยมนับถือและเลื่องใสไม่ใช่ของหาได้ง่ายๆปีกลายเนี่ยแต่มาและนับดูถ้าสมัติฐานทั้งฝ่ายอยู่กว่าและทั้งฝ่ายบริหารทางพระอิศานละตายไปทั้งแปดองค์ปีนี้ก็อาจารย์กลัวหมายต้นปีไปเลย ต่อมาก่ก็จะคุณธรรมบันดิตขอร่าและก็มาหาอาจารย์ฝันอีกยังไม่ดดกี่เดือนแล้วหมดไปสามองแล้วตลอดปีไม่ทราบจะหมดกี่องหมดไปหมดไปยังยังทำยังไงกันห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เพราะเป็นไปตามสามัญลักษณะคือว่า กฎของธรรมชาติของธรรมดามหากเต็ยอยู่เช่นนั้นแต่สิ่งที่พวกเราพากันหน้าเสียดายที่สุดก็คือที่จะได้พระขนาจา์เป็นที่น่าเคารพและสักการะบูชาอย่างท่านเหล่านั้นนะไม่ใช่ของหาไดงา้ง่ายสร้างคนะสร้างอย่าง ควรที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ควรที่จะเคารพนับถือเรื่องใส่ไม่ใจของง่ายๆนับเป็นสิบๆปีสร้างพระอิทพภูณแลเราพอทำกันได้คลยๆก็ทำได้กันหมดจำนวนลงทุนเป็นล้านก็ทำได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนะพวกเรานะ่ะพากัมาคิดถึงเรื่องทั้งหลายในะนี้นะพากันควรทบกรัพย์ คืนโดูดเท่าที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านอาจารย์ปัตตได้ฝึกฝนอบรมพวกสานุจณิตธทั้งหลายมานะ่ะมีสิ่งใดบ้างที่มาติดอยู่กับจิตกับใจที่ทําให้พวกบรรดาสานุจิตธิคิดได้ว่าเราทําตามครูบาอาจารย์ฉันน้องมูลคุณของท่านมีอะไรบ้าง ให้พากันทวนทบลองดูทุกๆุกคนอย่าให้เป็นอย่างมดแดงเฝ้ามะม่วงโบราณทันว่าไวนะ้นะคำนี้แต่ก่อนโบราณชอบพูดนักพูดหนาแต่มาสมัยใหม่เลยลบเลือนไปหมดไม่เคยปรากฏจึงนํามาเล่าให้ฟังอีกมดแดงเฝ้ามะม่วงบางทีคนที่ไม่เคยมีสวนมะม่วงก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ ธรรมดามดแดงเน่ะพอมะม่วงมีลูกขึ้นมาแล้วก็ไปเฝ้าคือจอแจกันอยู่ที่หัวพวักมันนั่นแ่ะจนกระทั่งมะม่วงนั้นสุกหล่นไปไม่มีที่อยู่แล้วก็หาที่อยู่ไม่ได้ไปที่อื่นรสของมะม่วงไม่ทราบไม่ช า, า่หวานเปรีย้ยวโดยประการใดไม่รู้จักรสเลยนี่เขาเรียกว่า มัดแดงเฝ้ามะม่วงครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด่งๆองค์หนึ่งทั่วทั้งประเทศไทยก็คืออย่างจางังปั่นพวกบรรดาศานุศิสต์ทางบ้านไก่และบ้านไกลโดยเฉ พ, ะพนนาะนี้แหละพนานนาเรานี่หละก้าอยู่กับไก่ตั้งจะเกิดจนกระทั่งปั่นนท่า น, ท, า น, ท, านท่านดัไปมีอะไรมาปรากฏ จากคุณงามคุณดีได้จากคําสอนของท่านมีอะไรบ้างถ้าหากว่ามีอยู่บ้างก็พอจะไม่เป็นมดแดงถ้าไม่มีอะไรเชื่อเลยก็เป็นมดแดงทั้งตัวทั้งหมดคําที่ว่ารสชาติในที่นี้นะหมายความถึงคําสอนที่ท่านสอนเรานะท่านสอนในเราละชั่วทําดี ชั่วอะไรที่เราละไปได้มีอะไรบ้างดีที่เรามีอยู่ที่เราได้ขึ้นมาที่ท่านสอนมีอะไรบ้างโดยมากพากันโดยมากเข้าที่เห็นนะไม่ใช่แกง่งยกโทษเห็นหน้าคาารบวยจา่ไม่จออแจงงเงีง้ยพ่อแต่เหรียญพอแต่ลูกพ่อแต่บัตรแต่เบอร์โอ้โหย แม้มันยุ่งอาจจะจะ้ายแต่เรื่องคนนี้ยธรรมะที่ท่านอุตสาห์เลือกเส้นมาสอนไม่ยอมปฏิบัติเอาเฉยเลยโดยมากผู้ที่สนใจไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลอุตสาห์มาตั้งเป็นนอนวันจันทคืนมาเฝ้าคอยสะดับตรับฟังและนามไปปฏิบัติฝึกหัด มันค้นอยู่ใกล้ๆโดยมากไม่มีอะไรหรอกมีบางคนนรอกมันคนที่ได้แหละก็ยกให้ละดีเลยละ่ะสิ่งที่เราได้จากท่านเช่นว่าเราไม่มีสินหาเรามีสินหาเิมาไหมแล้วไม่มีชิน้นแปดแล้วมีชิ้นแปดมาไห ม, ไ ม, ม, มสมหมินหาคอที่ท่านสอนทาสอนนับมา ห้ามภาสักลักตะระพฤชพิษนิชา้าจ้างกก่าวองมุตวะเดือพูรามไม่ไรใครบ้างสนใจแล้วนำมาปฏิบัติได้หรื อ, อยังได้กี่ขอ้อที่ท่านมาอยู่กับพวก ญ, ญาติโยมทั้งหลายแถวนี้นได้กี่ขอ้อได้กี่คนลองให้ทวนทบดูในอดีตที่เป็นมาแล้ว ถ้าหากไม่ได้เสียเลยกับเปียบเหมือนกับหมดแดงถ้าได้สักข้อสองข้อก็น่าจเป็นการดีลายจะสอนให้ภาวนารมสมาธิมีจินมีภาวนาไม่เอาพูดจินหา้าจินแปดกลับกายเป็นบาทเป็นเบอร์ไปมดุดคนไหนเดือร้อนเป็นทุกข์วิ่งมาหาอาจารย์ ขอบัตรขอเบอร์ขอโชคขอลาภใครไปทำบาททำกรรมจิตคุกจิตตรางฆ่าปันจี้หัวเขาขับรถประมาทชนกันยิ่งมาหาครูมหาอาจารย์ให้ปัดเป่าให้เป่าไปจนเท่าไหร่มันก็แค่นั้นแล้วเราไม่เป่าตนเองให้อาจารย์เป่าให้จนมดลงสายจ็บพั มั่นเป็นอย่างนี้ไดกทำไม่ถูกมันเป็นอย่างนี้ดิเลยไม่ได้ของดิบของดีขึ้นมาถ้าหากเรารู้จักคุณค่าของครูบาอาจารย์ว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่แสนหายากท่านท่านสอนอะนไรกุศานำไปเ พ, พื่อพิปฏิบัติไม่ได้มากหรอกไม่ใช่จะเอาทั้งหมดินทั้งห้าข่อ ให้ได้ปีละขอ้ขอก็เอาแล้วมาจากเอาเดือนละปีหนึ่งให้ได้สักขอ้อหนึ่งคือปีนี้จะงวดเว้นจากร่าัดสลักทรัพีหน้าจาาะรักทรัพย์เว้นใช้จากรักทรัพย์คือว่าหากคนหากตนก็พื้นผิดตรงไหนงวดเว้นความผิดในตรงนั้นเรียกว่าลาชั่วยทำดีและกระบอกเป็นคนดีต่อไปให้ได้ปีละขอ้อละขอ้อ พอเป็นศีล น, นั่นพอเป็นครูบาอาจารย์ก็จะพอ อ, อกพอใจเต็ม อ, อกเต็มใจอรุูกิดสอนง่ายบอกฟังพวกญาติโยมก็คงจะพากรทาบกันดีอยู่แลวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาถ้าลูกหลานว่าง่ายสอนง่ายจะเกิด ค, ความปลื้มปีติเบาอกเบาใจถ้าลูกว่ายาก สอนยากเป็นเครื่องลำบากแก่พ่อแม่พวกคุณคุณทั้งหลายเป็นพ่อแม่ของคนรู้ดีที่สุดเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้ช่วาเป็นพ่อแม่ของลูกศิษย์ตั้งจิตเมตตาปราถนาวังดีต่อปราถนาอย่างให้ลาชั่วทำดีแต่ก็ไม่ยอมไป ม, มองมุ่งแต่ลาบผล อย่างที่ว่ามาแล้วอาจจะมาอยู่น้องคายก็ได้ทราบข่าวเหมือนกันเมื่อเปิดโรงพยาบาลโอ้โหจนจะเหยียบกันตายทำไมมาเหยียบกันตายเพราะหาชินหาธรรมทำไมยังไปเหยียบกันตายเพราะบัตรเพราะเบอร์ทำไมไปเหยียบกันตายเพราะลูกเพราะเหรียญนี่มันได้อะไรขึ้นมาได้เหรียญไปก็ไปอวดไปโอ้กันรุ่นนั่นชั้นกระด้รุ่นนี้ชั้นกระด้ ทุกรุ่นจะให้ได้ทุกรุ่นทุกเหรียญเลยแล้วมันดีอะไรขึ้นได้ลูกได้เหรียญแลก็ไป อ, อวดอตัวคนตัวเก่งตัวกาไม่กรงกลกัวใครทั้งนั้นฆ่าฟันกันยิงก็ไม่ออกฟันก็ไม่เข่าตีก็ไม่แต ก, กกูละลูกจิตไอาจารย์ฝันกูได้เหรียญหนี่ดูสิเหรียญของกูมึงไปยงงี้สิ รูปเหรียญนั่นโบราณในจารย์ท่านสอนดียี่สอนดีสมัยก่อนเมื่อหลังจากพระองค์พียร น, นิพพานหรือสมัยพระองค์เจ้ายังมีประชนชีพอยู่สมัยนั้นนิยมความเคารพนิยมในสมัยนั้นไม่กล้าที่จะทําทรูปทําเหรียญของผู้ที่เคารพนับถือบูชาในคนไทยข้าเมืองไทยแล้วก็ยังมีระเบียบ พ่อแม่ไม่กล้าไม่สามารถที่จะทำรูปเต็เหรียญหรือหล่อลูกเหรียญหรือถ่ายพอดรูกเหรียญของท่านหรือเขียนลูกเหรียญไอ้ลูกของทาง่านแม้ง แ, แต่คนเขาถือเส้นทางกั น, นกเช่นพระนย า, าสานิท้ารลกจึงการไม่กล้าที่จะเรียกชื่อเรียกนามมาเป็นมายี่สมัยก่อนนำมาคนโบราณเล่าเรื่องโบราณให้ฟังคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจ นี่ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันผู้ที่มีคุณธรรมและที่คนเคารพนับถือรู้สึกยำเกรงคนเราถ้าหากขาดความยำเกรงจะเสียเดิอย่างเดียวแต่และสอนก็นไม่รู้เรื่องเลยคนสมัยก่อนมีความยำเกรงผู้ที่ควรเคารพนับถือบูชาหลังจากนั้นมาจังหลายร้อยปีสามสี่ร้อยปีจึงค่อยปรากฏรูป ของพระพุทธเจ้าที่ทํารูปพระพุทธเจ้าขึ้นนั้นความมุ่งหมายเป็นอย่างนี้คือว่ารูปของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําเหรียญแขนคออย่างพวกเราทุกวันนี้หรอเอาไปตั้งสักการ บ, บูชาไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่งและกะ็ไปกราบไหไวแบูชาแล้วลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะกระดากในการที่ทํำกลมชั่วคล้ายกันก็ว่าพระพุทธเจ้านามาตดิสถานอยู่เฉพาะหน้าเรา ยืนเดินนั่งนอนตอนนั้นก็พระกฎเฉพาะหน้าเอาอันนั้นเป็นบุกหารมมิตรติดอยู่กับตากับใจละความชั่วได้ด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นคนรุ่นหลังจึงทำลูกคือลูกพระพุทธเจ้าไม่ตักระร บ, บูชาเราจะเห็นได้ในสมัยในนี้ก็ลองลองคิดดูก็แล้วกันถ้าหากใรมีห้องพระ ที่บ้านของเราเวลาเกิดความวุ่นวี่วนวายหรือจะเกลียดโกรธรรยาสามีโกรธเล่านันเกลียดจึงก็ตามเถอะเข้าไปห้องพระอาจจะช่วยกาจัดได้เพราะเห็นพระธรรมายท า, ทานั้นค่อยสบายหายระงับไปคนที่มีความทุกข์กรุ่มอกกรุ่มใจเพราะเหยียบย่างเข้ามาในเขตวัดทนั้นทำให้เย็นสงบเยือกเย็นไปได้นั่นความ ส่งใหยจุดที่สคัญแท้ในการที่ทำเหรียญในการที่ทำรูปครั้นี้มันนานมันไม่ไกลายไปหมดรูปเลิดไม่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เลยกลายเป็นสิทขา้าใจกะตะกล้าคนเนงินก็พักขายในสะนามหลวงตลาดลาดดีไปไห่ไปตงนั่นกระทุกกระานแล้วพะคันโทษใจพอรังพอรังไม่เคารพร เขาพูถทะลุเอาไปไว้ในที่มรนทางขึ้นบ้างไว้ประดับโตบ้างอะไรตัวอะไรต่ตางๆเขาไม่กลายเลยว่าสกปรกวิชาแท้ที่จริงคนไทยยิ่งเร็วกว่านั้นอีกจังเนี่ยเรื่องข้อมังที่กลายมามา น, น, นานๆนะเข้าจนเกิดมีลูกมีเดียนขึ้นเรียง น, นี่ก็ไม่ทราบแบบแผนไหนตัวไหนล่ะเป็นฟุบังไปเลยเอา คราวนี้ไม่ใช่งั้นเนี่ไม่ใช่เราเลือกถึงอาจารย์เนีไม่เชื่อไม่เราเลือกถึงอาจารย์ให้อาจารย์รักษาไไหนไปไหนอาจารย์ให้รักษาหอาจารย์ไปตำรวจยามนั่งนอนยืนเดินจะหลับอยู่กับช่างให้อาจารย์เฝ้าให้องค์เดียวก็ไม่พอไล่ไล่อาจารย์มานอนเฝ้ามานั่งเฝ้านอนเฝ้า มันเลยกลายไปอย่างนี้ น, น, นั้นๆแล้วก็กลายเป็นสินค้าอีกก็กล้ามลูกเหรียญขายนะโอ้ยรวยรวยไม่ได้เสียภาษีซ้ำสบายอาจารย์ฟันด้านคนใจดีใครมาขอทำทำหมดให้ทาหมดตั้งร่วมรอยรุ่นอัจมาเ น, นเขาโกดเขาไม่ชอบใจเขาเกียด ไม่อยากให้เขาถามก็ไม่ยอมเขาถามมาวันนี้ก็มาเครื่องบินกันแอบๆมาขออีกแล้วแต่มาไม่นี้อย่ามาบอกโกงเลยละบอกไปเคยทํำไม่นี้หรอกแต่ก็ดีด้วยละพรามีจริงกับถวายต่อใจซับก็ดีอยู่เหมือนกันนี่ว่าทังเรื่องความเป็นมาหรือความประสงค์รูปเหรียญได้ทําเื่ำประสงค์ของรูปร ที่คนสมัยก่อนทําแต่คนสมัยนี้ทำมันกลายไปอย่างที่ว่า น, นี้และคราวนี้อันประโยชน์ที่จะพึงได้จากรูปก็ดีจากเหรียญก็ดีเลยไม่คุ้มค่าแล้วพระเดจเจ้าท่านสอนนั้นสอนถึงหลักธรรมให้ละชัว่วทําดีหากว่าเราลึกคิดถึงคุณผู้มีพระคุณน้าหลายมี้วพระเดจเจ้าเป็นตน้นไม่ต้องมีรูปหรอก อยู่นะ้อยู่ไหนก็เลยรก่องศิุณอยู่ตลอดการเวลาไม่ต้องไว้แผนให้ยากหรอกนักพอเปล่าถ้าถึงอันนี้มันไม่ถึงนะจิมันเลยกลายเป็นเครื่องรางของขาังหรือมดเลยคนดีได้ไปกับอาศัยอาจารย์นันคนชั่วได้ไปกับพึ่งอาจารย์นั้นตำรวจได้กับไ ป, ปลูกไปก็ร่องการโจรขโมย ขโมงโจรขโมยได้ก็ป้องกันตำรวจไม่ทราบอาจารย์ไปช่วยใครแล้ก็แย่ที่อาจารย์แบบนี้อาจารย์เนีกลายเป็นพระเจ้าไว้หมดนี่แหลที่ว่ามุ่งมั่งมดแดงเฝ้า ม, ามุมม้วเลยไม่ได้ของดีของดี ข, ดขึ้นมาคนที่อยู่แถวๆ น, นี้ลองคิดๆดูเถะมีกี่คนที่มั่นอยู่ในศีลธรรมคาสอนของอาจารย์ ที่ท่านอุตสาหพัฒนสอนท่านอุตสาหนั่งหลังกดลั ง, งอสอนลูกศิษย์ลุงหายังให้เป็นคนดิบคนดีคนเคยฆ่าสัตกระไขนั่นตลอดกาลเวลาเคยรักทรัพย์ก็กลักอยู่นั่นตลอดเวลาเคยช อ, ปปอบโกงกับกงอย่ตลอดเวลาเวลาเคยพวกพิษเป็นเจ้าชู้ก็เป็นอยู่นั่ตลอดเวลาก็เคยเป็นโกงหกก็โกงหกเคยดื่มสุรา ย, ยาเมากก็ดื่มอยน่ น, นตอลอา สอนเท่าไรก็เท่าเก่าไม่ดีขึ้นมาก็ขาดทุนที่สิคนแบบนั้นแล้วอาจารย์กัณานนั้นท่านมีเมตตาปาจนาบางดีสอนลูกจิตลูกหาญาติโยมตลอดการเวลาในนานี้นั่นใครจะมาสอนเมื่อท่านดับไปแล้วนั่นใครจะมาสอนจึงว่า มะม่วงมันหลุดจากขั้วไปแล้วมดแดงจะไปอยู่ที่ไหนกันต้องคิดดูสินี่แหละธรรมที่อาจารยสอนสอนอยังให้พากัเราเลือกถึงเรื่องคุณงามความดีอย่าไปเอาแต่สิ่งเลี้ยวๆหลายๆจริงอยู่<อ>พุทธศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่น เปลือกก็คือพิธีปีต่องอย่าไปถือเป็นมั่นเหมาะรูปเหรียญทั้งหลายนี่อย่าไปถือเป็นมั่นเหมาะเป็นของจริงของจังเลยถ้าหากว่าเราเข้าถึงหลักธรรมแล้วของนี้กลับสายเป็นแกน่นเมื่อกับเปลือกแล้กับพี่รอเลี้ยงให้เกิดแกน่นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วจะเอากระพี่แล้วเอาเปลือกมาเป็นแกน่นก็ถือว่าของนี้ของม น, น, นี้เป็นของดีแล้วก็ได้สิเพียงแกน่นั้นแะ ได้ทําอะไรดิบดีต่อะไรไม่ไหนกับพี่นั้นหุม้มไอ้เปลือกนั้นหุ้มห่อกกับพี่ไว้กับพี่นั้นหุ้มห่อแก่นไว้แก่นนั้นหล่อเลี้ยงให้กับพี่นั้นหล่อเลี้ยงให้เกิดแกน่นเปลือกนั่นหล่อเลี้ยงให้เกิดกับพี่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งการรักษาแต่อย่าให้มีแต่กับพี่อยู่ตลอดกาลเวลาให้รู้จักว่ากับพี่เราจะไปใช้อะไร เป็นประโยชน์อะไรเปลือกกนเป็นประโยชน์อะไรทำอะไรแก้หน่งเป็นประโยชน์อะไรทำอะไรให้เข้าใจตรงนั้นเอาใช้ให้มันถูกอันนี้เปลือกไปใช้เป็นพี่เป็นแก่ไปหมดเลยเลิกกันไฟหมดการดังอธิบายฟังมาแล้วพราะได้รูปอาจารย์เท่านั้นนหะดีได้พอแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป ไม่ต้องกลัวเกรงใครทั้งนั้นฆ่าคนก็ได้ตีหัวเขาก็ได้เพราะมีรูปอาจารย์ลักขโมยเขาก็ได้เ็นเจ้าชู้ก็ได้เพราะมีรูปเหดียร์อาจารย์สุราก็ดื่มได้สบายของชั่วชั่วต่างๆแล้วก็รู้กันดีทุกคนอาจารย์ก็พัมสอนคําสองเพื่อเจ้าพนํามาจากไหนอาจารย์ก็เอาคําสองเพื่อเจ้ามาสอน นด้โยจักชั่วโดยจักดีทั้งหมดตัวเองก็รู้จักดีเหมือนกันแต่ไม่ยอมละชั่วทำทียังเช็ดไอ้วามชั่วนั่นอยู่เวลาเข้าท่านสอนท่าอวดต้นอวดตัวไหนปีนี้คุยจะรักษาสินละเคยดื่มสุราก็จะไม่ดื่มมันละสินห้าสินแปดโกหกก็ไม่เอาละเห็นเจชู่วก็ไม่เอาละห้าสัต นี่ลักลางก็ไปม่เอาละนี่เราต้นพรรษาสามเดือนแล้วเรียกถอยหลังเรียกบัญชีเรียกถอยหลังเรียกจากถอยหลังเก็บบัญชีถอยหลังเลยเหล่านั้นหมดแค่พรรษาหนึ่งสม่ยสามโมจีขวดล่ะที่เราเว้นเว้นได้เมื่อสามโมจีขวดแวอ๋อพรรษาลราเพิ่มทวีขึ้นอีกมว่ากูเก่า อันนี้เรียกว่าหลอกตนเองและก็หลอกหลวงคนอื่นอีกด้วยเรียกว่าคนยังไม่เชื่อของจริงยังไม่เชื่อของดีว่าเป็นของดีแท้หลอกตนว่าตนทำดีแต้แ ท, ท้จริงภายในยังเสดายอยู่หลอกคนอื่นว่าเราเป็นคนทำดีแต่ในผลที่เกิดกบเกะอะกับพั ก, ก ที่บวชเรยียนในพุทธศาสนาก็คกงมีฝากเคยเห็นด้ยสมากรักษาสิน 5, 6, 8, 7, ส้นห้าสิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสองรอยยี่สิบเจ็ดเป็นพระเป็นสงหมดเว้นหมดสดงฆ์เป็นยังไหมดเว้นมาบางทีตั้งห้าปีสิบปีบวชอยู่เวลาสึกเไปยิ่งรลายกว่าคนที่ไม่บวชอีก่สําเลวกว่าคนที่ไม่บวชอีก่สํานี่ก็แสดงว่าคนไม่เชื่อในพุทธศาสนาที่แท้จริง แต่มาเคยพูดมันรีบทํากลมชั่วให้มันทันเขาคือไปพักทำกลมชั่วอย่างนานจงเป็นเก้าปีสีปีแล้วซื้อกมาจากข่าแล้วรีบทำกันทันเขาเขาทำมากกว่าเราแข่งกลมชั่วเหมือนกับคนงดเว้นกลมชั่วในสามเดือนเมื่อเหม่อนกันอย่างนี้จีเป็นยังคนเลอะเหลวคนไทย นับถือพุทธศาสนาอวดนักอวดหนาเพราะเราเป็นชาวพุทธแต่คนไทยเน่ะขี่ขโมยเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่ถือพุทธศาสนาที่อิสลามเขาไม่ขีขโมยน้อยที่สุดดื่มสุรามหา ม, มาเงดเว่งกันเลยคนไทยมีเยี่ยมเรื่องสุรา ญี่ปุ่นเขาเข้าเมืองไทยเขามาพิสูจน์แล้วคนที่แปดล้านเป็นขโมยจะยี่สิบล้านไม่จำเปานหมาจะอย่างไรสองล้านมันสมกับเขาว่าจริงๆนะทีนี้จะมาก็เคยออกไปเที่ยวสองสามประเทศมันไม่เหมือนกับบ้านเราเมืองเราอยู่ในป่าในโลกที่เงเียบสงบเย็นสบายดีชิงเรื่งราวกันไม่มีสงบเยือกเย็น อ้าที่เขาก็ไม่ใช่ลุงรวยกว่าลหรเขาจนกว่าเราอคับคนที่เป็นขี้ขโมยตีชิงวิ่งเล่าและชอบโกงนั้นไม่ใช่คนจนในคนไทยของเราคนโกงนั้ยิ่งรวยใหญ่คนขี้โกงนั้นไม่ใช่คนจนนี่แต่คนรวยทั้งนั้นอันนี้แหละเรียกว่าไม่นับถือไม่ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เนี่ยนะธรรมะจัหวัดศีลนั่นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรักษาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องถือทำพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของที่ต้องถือเราเนี่พากันถือาศาสนาจะมาแต่ไหนแต่ไรมาถือกันทั้งนั้นศีลก็พากันถือกันมันได้ประโยชน์อะไรถือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ถือน่ะสอนให้ปฏิบัติต่างหากอย่างศีลห้าประการเนี่ย เอาเเอะไรมาถือศีลศีลอยู่ตรงไหนท่านสอนในละความชั่ว เ, เครื่องวัดความดีและความชั่วอยู่คือตัวศีลเราละได้ข้อหนึ่งสองข้อสามข้อก็เรียกว่าสี่ห้าข้อก็เดียวเราละชั่วได้เป็นข้อๆไปความชั่วนํามาจนโทษทุกข์ความดีนํามาจนความสุขสงบถ้าไม่เชื่อทั้งนี้ก็ได้ลองลองดูก็แล้วกัน สินนั่นไม่จะเป็นความสุขสงบจริงไหมในครอบครัวของหลวงโยมนมนแหละมีสักห้าคนด้วยกันอยู่ด้วยกันพากันมารักษาสินมากพาพากันมางดเว้นจากความชั่วคนละละครละคอเลยเว่าจะเป็นงดเว้นนะันสิ่งที่ตนไม่ทันนะอย่างว่าเราไม่ดื่มสุราจะไปรักษาข้อจะไปประพฤติจะไปงดเว้นสิ่งที่ไม่ดื่มสุรยแล้ว ศีลนั่นคือหมายความทั้งเรื่องเราทําชั่วเรางดเว้นอย่างเรียกว่าบศีลเด็กๆมันนอนอยู่อ้าวมันไม่ได้ทําอะไรจะมีศีลไม่ได้คนตายยังมีศีลไม่ได้คนนอนหลับมีศีลไม่ได้คนทําชั่วเป็นไปจําอยู่แล้วยังไงเว้นยากชั่วทีเรียกว่าบศีลนี่ให้เข้าใจอย่างนี้เหตุนั้นจึงหมายของศีลนั่นคือการงดเว้นจากความชั่วที่เดียวกับศีลควาชั่วนันนั้นในบ้านเลื้ยงของเราครอบครัวของเรานะ พ่อแม่ลูกได้สักสาคนลองลองก็มาปรึกษากันนั่งปรึกษาการลองลองดูหากว่าลูกมันคนดื้อโดนชอบฆ่าสัตว์เอามึงมดเว้นใช้จากการฆ่าสัตว์นะอีกคนหนึ่งมันชอบขโมยเล็กขโมยน้อยบ อ, อบอกมันชียวบ่มึงงดเว้นใช้จากการฆ่าสัตว์นั่นรักทักษะนะอ้วอีกคนหนึ่งมันชอบเป็นนักเลงแก๊โชว์บอกงดเว้น ถ้าหางแม่เป็นคนขี้โกงขี้บน่นยู้จี้ให้แมนะ่น่ะเงียบเบนเสียจากเรื่องอะไรถ้าหากพ่อนเป็นคนขี้ดื่มสุราชอบเมาก็บอกให้พ่อนะงเงียบเบนเสียจากการดื่มสุราเอาละคนละพ่อละก่อนทีละ่ะน่าจะเอามากกว่าไม่หรอกลองพากันทำลองดูมันจะสงบไหมครอบครัวของเรา มันจะเป็นสุกไหมไม่ต้องเอามากมายสักสามเดือนเท่านั้นก็ได้ถ้าหากว่าเราทําได้อย่างนี้ประพฤติได้ยอย่างนี้ศินทั้งห้าข้อนี้จะมารวมอยู่ทั้งห้าคนเลยคือว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งงดเว้นจากฆ่าสาตว์ได้คือเขาเคยฆ่าสัตว์คนที่รักเจ้าผมเอ๊ะเขาก็ยังลักเขากงงดเว้นจากฆ่าสัตว์ได้ กูเพียงคิดขโมยก็คืองดเวีนเยนได้สิอายคนที่เงดเว้นจากการฆ่าสัตก็พลอยตั้งใจงดเวียนเพจากการรักขวมยุณแตคนที่สามต่อไปก็เขาขี่ช่อไอ้เขารักเขาขโมยเขาฆ่าสัตว์งดเว้นได้กูนี่ทำไมงดเวยนเหมือนเดิมอายเขากูงดเว้นเดี๋ยวเป็นสาร เ, เดียะชู้ได้พ่อแม่คือเห็นเช่นนั้นเนี่ยไอ้ลูกกูยังทําได้กูทําไมไปพ่อแม่จะทําไม่ได้มันก็มีมาน่าทำ ยกลงก็เลยสินทั้งห้ามีมัดทุกผลนะหากคนนี่ว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้ลองลองคิดดูแล้วลองลองประคุดลองดูก็ได้กราบจากนี้ไปแล้วไปลองลองที่ทำดูก็ได้ถ้าถึงบ้านถึงเหลือของตนแล้วมาปรึกษากันลองดูหากว่าเหลือจังหนะ้านไปหกเกณคนก็ตา่างหรือไปถึงหนะ้าน่าสองสามคนก็ค่ะ หรือสองคนปัญญาสามีก็ตามแล้วพากันประพฤติอย่างที่ว่านี่ฮะน่ะสักสามเดือนหากไม่เป็นไปเพื่อความสุขสงบไม่เป็นไปเพื่อความเยือกเยินจึงค่อยไปตามต่อว่าอาตมาถูกอาตมาจะาจดวัดให้วัดอาตมามีอยู่แล้วไปตามต่อว่าทุกวันกัน ถ้าหากเป็นพุท ธ, ธรรมามคเกษตรต้องปฏิบัติอย่างนี้สิจึงค่อจะได้ชื่อว่าเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อครูบาอาจารย์ต้องการละชั่วทำดีเห็นคุณค่าของการทำดีมีประโยชน์ธรรมะถึงจบจุบเห็นโทษของความชั่วนำมือซึ่ง ท, ทุกข์ทุกอันนี้มันไม่เข้าถึงตาทีไม่จะถือศีลโอ้ยถือก็ทั่ถึงวันผ้าศีลจะไปแล้ว ไปวัดไปว่าแห่กันไปล่ะขอสินเมืตนได้สินแล้วก็ดีใจล่ะไม่ทราบว่าเอาไปทำไมสินครับข้าให้แล้วก็ดีใจยิ่งคนสมัยคนก่อนที่มีการศรรึกษาน่อยเอจาจังวัดจังวามาป ร, กา ร, รักษาสินอวบสดกลับไปบ้านไปประกาศลูกๆ ก, กัหลานเอามรณาสินกับกูเนอรูไปรกักษาสิวันนี้กูได้บุญไม่ทราบบุญอยู่ตรงไหนชิ้นอยู่ตรงไหน คนมารักษาชิ้นแปดเวลากลับจากว่านนะ่ะมันมากเกินไปมันหนักเอาคืนแค่สักสามสองสามตัวคืนแค่สามสองตัวเอาคืนสามตั ว, ตวยังเหลือห้าตัวได้ชิ้นหายก็แล้วต้ อ, ตองคืนนี้ถือว่าไปขอสินจากพระเวลาจะออกจาว่าต้องคืนในพระ อย่างคนสมัยก่อนไม่ทราบไปคืนให้ใครเคยมีโจรึ้นจิน๋นสมัยพุทธเจ้ามีนายพานวินิยังนพรานไม่เห็โจรนายพานคนหนึ่งไปฟังธรรมเทศนาพุทธเจ้าแล้วกอขอปฏิบัติตามคำสองพุทเจ้าคือรักษาจิ้นหากขอเนี่ยไปคิดดูโอ้ยหสิทธังหักคอแย่คุไม่ไหวไม่ไหวมาไปบ้านไได้แล้ว จะขอคืนนะพุทเจ้าพระเจ้า่าาฉันคืนไม่ได้แต่ฉันรับไอ้ได้รดอกศีลแต่ของเจเป็นคนงดเว้นเองคนปฏิบัติเองจะไปรับศีลของเธอไม่ได้ดอกถ้าไปคืนศีลก็เรียกว่าศาสนาพระเจ้าท่านั้นสิทําชัว่วทําไม่ดีต่งตางๆพระเจ้ารับเอาหมดพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศาสนาพระเจ้านี่พระองค์ไม่รับ แกู่้ษ า, าไปปฏิบัติตามก็เลยได้คุณงามความดีปากพูดชัมเลยตรงนี้เรื่องศีลพูดมันเรื่องยืดยาวพูดถึงเรื่องเท่าไหร่แล้วนี่แหละหัวข้อสําคัญจริงจังและนะ้วน่ะศาสนาอย่าพาดันถือเมื่อไม่ถือศาสนาก็อย่าพาดันถือศีลศาสนาไม่ใช่สอนให้ถือสอนให้ปฏิบัติ คิดดูที่ทำทุกข้อทุกบทที่พระเจ้าสอนนิริคือความละอายบาปถ้าไม่ละอายมันจะยังงดเว้นได้อย่างไรงดจะปาคือความกลัวตัวความชั่วถ้าไม่กลัวที่จะทิ้งได้อย่างไรนี่นเบื้องต้นแน่เดียวกันสอนให้ละเมื่อเราละแล้วจึงจะถึงศาสนา เรงว่าค ร, าารูบาอาจารย์สอนมากมายสอนนักสอนหนาแต่ว่าความดีที่เราทำนันยังไม่ปรากฏประทับอยู่กับจจิตใจของตนเลยความดีนั้นจึงไม่มั่นคงงอนแงง่อนแขนงคนไหคนไ ด, นไดมาเป่ากับไผ่ซตามเรื่องตามราวดังทีทำไปไงรักษาไปทำไมห้่สิ้น ฉันรักษามาเยอะแยะแล้วก็ไม่เห็นมีวิจัยวิจัทยที่สูงอะไรต่างโรคซีดอัตมานี่แหละเคยมีสักเขาไม่ทําบุญเขาไม่รักษาศีลเขาไปยังรุ่มรวยฉันนะทําบุญรัถษาแล้วรักษาศีลมาเยอะแยะเลยไม่ได้ไม่รุ่มไม่รวยก็เขานี้่จะจนนู่นทีฉันเลิกหลัทําบุญนู่นมันพูดถึขนาดนั้นกันยังพูดได้ ผูดอยากธรมาก็เลยตอบยำหยาบครับธรรมาก็ใครจ้างมึงทําบุญะ่ะมึงไม่ทําบุญมึงจะตายกว่าตายอยู่ข้างไม่มีใครจ้า ง, งทําบุญได้หัวเราะแก่แกแ ก, แกมันพอดีครับนี่เป็นอย่างงี้คนไม่รู้จักบุญคือไม่รู้จักคุณค่าของการทําดีเขาก็เลยแต่งพลงแต่งกราบเข้นมา ทำชั่วได้ดีมีทองไผ่ทำดีทำดีได้ดีมีที่ไหนโอ้โยคนที่แต่งโคมันนี้ไม่แหงมันแค่บาปมากเลยทั้งนั้มาชักชวนให้คนทําชั่วทําชั่วได้ดีมีที่ไหนทําดีทําดีทําดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ดีอะ่ะครานนี้คนก็เลยได้ใจใหญ่ทําชั่วได้ดีมีทองไผ ท่ดีไม่มีหรอกคงดีมีแต่คมชั่วคนก็ได้ใจสิคันนี่คือมันชอบชั่วอยู่แล้วถูกใจชอบใจนะก็เป่ามันไปร้องเพลงมันไปละทั่วทั้งานทั้งเมองอันนี้พวกทาลายตาสมอของดิบของดีมีค่าทางการลบหลู่ลงมดัดไปเอาของเลเล่เเป็นเคื่อารเป็นเครื่องนองิยมอวดห้างนักหนาสังคมสมัยใหม่ สังคมสมัยใหม่ทำชั่วนะ่ะชอบนักแต่สังคมดีๆทำไมจะไม่เอามาอวดกันบา้างอ้าวเพราะสังคมเราจะเลือกเราสั้งคมดีๆมาใช่ไม่ได้หรืออันสังคมที่ชั่วนะั้นทำไมะไม่ชอบนักสอบนักมันก็เกิดจากมันเองนี่พูดมามาก สรุปรวมเจตความแล้วว่าเราเป็นลูกศิ์ของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะคือลูกจิตท่านอาจารย์ฟันแล้วเราฟังหรือเราปฏิบัติตาม ท, ท่านเราได้อะไรขึ้นมาบ้างเพราะจะอวดตนเองว่าเราเป็นลูกสิ์อาจารย์ฟันเราละชั่วทำดีได้มีกี่อย่างจีมากหน่อย มิใช่จะไปอวดอเอาแต่เหรียญรุ่นนั้นฉั็งก็ได้รุ่นนี้ฉั็งก็ได้ไม่เอาแบบนั้นเรื่องซึ่งเรื่องการความชั่วนำเมื่อมาซึ่งผลคือความทุกข์เดือดร้อนความดีนํามาซึ่งความสุขเฝ้าอาจารย์อยู่แต่ไม่ได้อาจารย์เจ้าไม่ได้ความดีจากอาจารย์เรียบเหมืองกับมดแดงเฝ้า ม, ามั่ว ราคานี้หมดโ อ, อกาสอยู่แล้วไานจะอันฝันกับมดโ อ, อกาสพูดไม่ได้แล้วลวบรรดาพวกเราเป็นลูกศิษย์ทั้งหลายแลยที่ยังเหลืออยู่นะเราจะทำยังไงหากว่าเราเราลึกทวนทบกลับคืนไปถึงคำสองท่านถึงแม้ท่านจะไม่ได้สอนถ้าหากเราเคารพนับถือเสียงที่ท่านสอนก็อาจจะมาก้องอยู่ในหูของเราเป็นเครื่อง ต, ต้นตื่นกระตุ้นเตือนใจให้เราละชั่วทำดีได้ต่อไปไม่เสียผลเหมือนกันแต่หากว่าถ้าท่านมนรณภาพอาแสด้หมดที่พึ่งคือว่าอาจารย์ไ่อยู่แล้วเลยเกิดความประภัยไม่ต้องทำอะไรขั้นต่อไปอีกหมดฐานช่วยไม่ได้นี่หัวข้อยนยอ่อคอที่จะจดจำนำเอาไปไว้จิตดิเจริญนั่งมาแสดงวจะเอาเท่า น, นี้แะ พูดมากอะไลืมไปเจ้ า, าลนะนุสติท่านสอนให้เราลึกถึงพุทธาจติก็รลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติเราลึกถึงกุณฑะธรรมั้งคาจติกาลึกถึงคุณระสงชีลาจติจาคาจติเทวตาจติเมือนั้นเราจะไปลราลึก แต่เพียงถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นระ ล, ลึกถึงคุณพระธรรมคือเหมือนกันไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวได้หรอกพระธรรมของที่เป็นนามมันสิงอยู่ในตัวของเราเนี่ยระลึกว่านามธรรมที่มีในตัวของเราความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลความคิดที่เป็น อุบายในเงียบคายนั้นที่เป็นเหตุให้จิตมันรวมนั่นแหละเป็นคุณธรรมดีพระสงฆ์ก็เหมือนกันบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นพระสงฆ์แท้พระสงฆ์ที่แท้จริงคือผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบการปฏิบัติอนั้นถูกต้องจึงเรียกว่าพระสงฆ์อนุสติ ทันพูดทั้งเรื่องอนุสติมีสิบอย่างกูปลายสำหรับภาวนาไม่ใช่เด็ดสิบอย่างเท่านั้นยังมากข้าไปกว่า น, นั้นอีกอสุภะสิทอนุสติสิบอสุภะสิท อาหารและปฏิกูลสี่กมหารสี่ก็สิ้นสิบ 40, ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายให้จิตรวมทั้งนั้นค้นหากว่าเราทำจิตแน่วแน่อันเดียวลงไปอันเดียวแล้วเป็นอนุสติได้เหมือนกันอย่าไปว่าแต่สี่สิบเลย ที่ท่านพนันนาไวสี่สิบอย่างนั้นเพียงย่นยอ่อหรอกของในโลกนี้ทั้งนัดถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมแนละ้วเป็นอนุสติได้ทั้งนั้นอย่าไปพูดว่ากรรมฐานทำยังไงมันจะได้สันเร็จทรอะไรยังไงมาขนนิพพานทำยังไงจี ให้รู้ร่วงได้คำว่าฐานอะไรจรึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคนิพพานอย่างคนมาถามอย่างนี้โอโหมันยังไกลนักไกลหนาพิจารณารอบครอบรอบด้านล้นวนไล้กรรมาฐานทั้งนั้นแต่พิจารณาให้มันถูกมันถูกคือว่ามันแน่วแน่ลงไป เป็นอารมณ์อันเดียวแล้วได้คิดอ่กรรมฐานด้วยกันนั่ถ้าในแนวแน่ยังมันเป็นกรรมฐานก่อนคิดส่งสายไปภายนอกม่ตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็ เ, เป็นได้ทั้งหมดนั่นเล ถ้าสติไปคุมไปตรงไหนแล้วสิ่งนั้นต้องแน่วแน่ลงไปเต็มที่ต้องแน่วแน่ไปเป็นธรรมดาอันที่มันเผลอมันเผลอมันห ล, ลงลืมไปคิดสนุกนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นอันไม่มีสติสติคุมจิตใช่ไหมสติคุมจิตตัวเดียวใช่ไหม การหัดภาวนาทำสมา ธ, ม ธ, มธิไม่นอกเหนือจากสติคุมจิตแล้วฝึกหัดตรงนี้แหละฝึกหัดสมธาธให้จิตเป็นสมาธิกับฝึกหัดตรงนี้แหละให้มันชำนิชำนาญกลองแค่วตามเดียวนี่แหละตัวสติเท่านั้นศาสนาใดๆก็ต่ามถุก หรือคนในโลกนี้ทั้งมดกับช่างสึกอันใครจะไม่กล่าวถึงเรื่องสติเป็นไม่มีทำเข้าสาวพระดิจาว่ากล่าวเรื่องสติอันเดียวความไม่นผู้มีสติคือไม่ประมาทได้เชืวว่อเป็นผู้ไม่ตายคนเปนผู้ไม่มีสตินั้นคือคนประมาท แล่เชื่อาตายแล้วตายกะคุณธรรม